รธรรมเทศนาแผ่นที่71ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7กุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าเกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นวันนี้เป็นวันที่7 กุ่มพาพันพุทธศักราช 2,558 วันนี้รู้สึกวันหนาวนะคณะทายาติโยมลูกหลานหนาวลงมาอีกละลง11 12บนะันนี้ <c oughs> รู้สึกวันหนาวผิดปกติแต่ทิ้งยังไงก็ยังพอทนไหว <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าจะลงอีกเท่าไหร่ จะทายังไงได้พวกเราอยู่ใต้ฟ้าฝนตกแดดออกร้อนหนาวเรารับได้ทั้งนั้นะจะทํายังไงถ้าจะว่าไปแล้วกับประเทศเทศประเทศไทยของเราก็รู้สึกว่าจะอุ่นกว่าปต่างประเทศอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นทุกวั น, นี้สื่อหรือข่าวเ เหมือนกับโลกทั้งโลกมันแคบใครอยู่ที่ไหนทำอะไรทำผิดทำถูกทำควรไม่ควรคนทั้งโลกเห็นกันเกือบทุกคนเพราะว่าสื่อสื่อต่างๆทันสมัยแต่สื่อทันสมัยตัวนี้ มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะขันศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนรถ้าสื่อไปในทางที่ดีมันก็ดีถ้าสื่อไปในทางเลวมันก็แสนเลวอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราคนโบราณเขาจึงเจาะตาไว้สองข้างเจาะหูไว้สองข้าง ค, คือไม่ให้ฟังข้างเดียวแล้วก็ไม่ให้ดันทูลังไม่ให้เชื่อ ไปทางเดียวเพราะนั้นต้องฟังฟังหูไว้หูคนโบราณเขาบอกเพราะนั้นข่าวไหนก็ตามเรื่องราวอะไไหนก็ตามถ้าได้ยินมาแล้วเนะ่ยเราจะไปหัวฟัดหัวเวียงจะไปเชื่อทีเดียวต้องฟังก่อนแต่ว่าการฟังคํานี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้เวลาเป็นเรื่องมันผ่านไปแล้วยังค่อยรู้เรื่องก็ไม่ใช่ถึงก็ไม่ถึงขนาดนั้น เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความกันกรองสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็คงจะไม่นานถ้าเราใช้ปัญญานะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาก็อย่างว่าถ้ามีอะไรก็เชื่อไปหมดติดตามข่าวแล้วก็เขาว่าแล้วก็เชื่อไปตามที่เขาพูดในเมื่อเชื่อไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวเยเราถล่มลึกจนเกินไปใช่แล้ว สิ่งเหล่านั้นก็มันก็มีเหมือนกันนะให้ระมัดระวังข่าวหลอกข่าวลวงหรือว่าสับขาหลอกเขาว่าหลวงพ่อได้ยิงกับคำค่ำเหมือนกันสับไสว่าสับขาหลอกอะไก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงเลหลอกตูสก่อนแต่คนโบราณก็บอกแต่ว่าโยนหินถามทางฮะคนโบราณก็บอกอย่างนั้นนะ เมื่อวานหลวงพ่อได้ออกไปงานศพของท่านสุวัตท่านเคยเป็นอดีตทางหลวงมาก่อนเป็นรู้จักมักคุ้นกับหลวงพ่อทั้งคุณนายของท่านสมัยหลวงพ่ออยู่บัานตาถ้าก็มาอยู่ที่นี่ท่านก็เคยมาเป็นผู้กํากับที่นี่ด้วยนะแต่ต่อมาต่อไปท่านก็เลยไปเป็นทางหลวงเมื่อวานท่านก่อนนิมนต์หลวงพ่อไปงาน ศพของพ่อตาที่ท่านมรณะเมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมาจะคงจะพระราชทานเพลิงวันที่8ปดแต่หลวงพ่อวาติดตรุตระคงไปไม่ได้ถ้าก็าเลยนิมนต์ไปเมื่อคืนเนีเป็นวันที่หคืนวันที่หก็ได้เจอศรัทธาญาติโยมหลายหลายท่านเหมือนกันนะเมื่อคืนก็ไปพบ ท่านพิชัยสุนทรสัจจปูนท่านเป็นเมทัพภาคสี่ของพวกเราสมัยก่อนแล้วก็คุณนายของท่านแล้วก็ผู้สูงอายุขาราชการท่านพิปากษาหลายๆท่านเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกว่าได้พบกับชัดไทายญาติโยมหลายๆคนอยู่แต่พวพอกลับมาถึงวัดก็โอ้ดึกพอสมควร สามสีทุ่มเมื่อคืนนะตอนลงออกไปเขาเจอคิดว่าออกไปตะวันอยู่แต่พอไปเดินทางไปก็มีแต่รถอ้อยรถอ้อยมันตอนค่ำเขาก็ออกะะเอาอ้อยมาจากสวนนะเนี่ยพอค่ำแล้วก็กออกถนนโอ้ผู้ใดลูกหลานทุกคนระมัดระวังนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่อ้อยกำลังออก ล้วก็ไปหลวงพ่อก็นเลยเป็นองค์แสดงธรรมเมื่อคืนหลวงพ่อเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่ยนนี้ไปได้พอวีซามาถึงพวกเราจะต้องเดินทางกลับประเทศกับต่างประเทศพอเรามาเรามาเกิดไม่รู้มาจากไหนมาจากต่างประเทศ พอมาเกิดพอมาเกิดขึ้นมาแล้วก่อนนะถึงคราวเขาก็เอาวีซ่ามาให้เออท่านนะคุณนะ อ, อพระคุณท่านนะได้เวลาแล้ว เ, ออเขาก็ส่งวีซ่ามาพอส่งวีซ่ามาเราพวกเราท่านทั้งหลายได้รับได้รับวีซ่าแล้วก็พวกเราก็จะเดินทางกลับต่างประเทศเ อ, อ, อย่างเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อเขาไป ส่งขึ้นเครื่องไปส่งขึ้นเครื่องคล้ายๆกับไปพร้อมเพียงสมัคีในหมู่ญาตเพื่อจะส่งสลีละของท่านขึ้นเครื่องไปต่างประเทศพอขึ้นเครื่องแล้วหายเงียบแต่ละคนนี่แหละ ชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาดูแล้วก็มันจุดจบมันเพียงแค่นั้นแต่ใ น, นหลักทำคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก่อนที่จะขึ้นเครื่องเราได้เตรียมสเสบียงได้เตรียมเงินใส่กระเป๋าเป็นที่อุ่นใจเรื่องจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราจะต้องทบทวนดูตนเอง ก่อนที่เราจะไปขึ้นเครื่อง เ, อเรามีเงินในกระเป๋าไหมเหรือว่าเรามีเงินฝากต่างประเทศเ ATM ประเทศที่เราจะไปนั่นอนะ่ะกดเงินได้ไหมเรื่องเงินที่เราจะนำเอาไปใช้นะเอาไปแลกเปลี่ยนกับเขาได้ไหมหรือว่าเราจะได้เตรียมทองคําไป เ, าเพื่อจะได้แลกเปลี่ยน หรือเพชรนินจินดาไปเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนในประเทศของเขาแต่ต่างประเทศเป็นประเทศที่ซื่อสัตย์นะไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีขโมยโพยโจรไม่มีการจะแจ้งจะแย่งชิงความว่าแย่งชิงไม่มีของใครของเราเพราะว่าใครทำอันไหนได้อันไหนไว้อันนั้นคนนั้นก็ได้รับกรรม กรรมที่ตนได้กระทาไว้กรรมดีและกรรมชั่วโดยมากที่จะไปสู่สุขติคือกรรมดีคนที่ทํากรรมดีไปนักสถานที่ใดกรรมดีก็จะให้ผลกับคนคนนั้นอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดกับโกเลียงพอทหารยมมาทูตจับไปแล้วไปก็ไปเห็นอาหาร เขาหิวอาหารไปไปเห็นเขานั่งร้อมโต๊ะกันอยู่เขาทานอาหารโกเลี้ยงเขาไปโอ้ยขอทานอาหารด้วยเถอนหิวหิวอาหารถ้าเกินไอพวกนั้นก็บอกว่าอันนี้มันมันปัละโลกนะเออมันเป็นอีกโลกหนึ่งมันไม่ใช่มนุษย์โลกถ้าเป็นมนุษย์โลกนะขอกินกันได้แต่เป็นปัโลกเนี่ยเป็นของใครของเรา ถ้าใครทํากรรมอันไหนไว้เนีก็ได้รับผลของของการกระทําของตนเองเนีแต่ก็ไม่ว่าท่านอยากจะกินก็กินได้เนี่ยแต่มันกินไม่ได้นะเนี่ทอกโกเลียงเนะีถือยังไงมันกันหิวฮงเนะีพอไปจับแก้วน้ำเทะนะ่านั้นเลยจะดื่มน้ําก่อนเหมือนกับจับจับทานไฟนะมันไม่ใช่ของตนเองนะมันร้อนเนะรีบรีบวางฮนะเออไปจับอันไหนก็ร้อนทั้งหมดเพราะไม่ใช่ ผลบุญของตนเองนี่แหละอันนี้ก็คือคนโบราณที่ว่าเขาตายไปแล้วเขาไปเจอแล้วก็ามานำมาพูดเป็นทักเขียนเป็นหนังสือออกมาแต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็สุดแท้แต่พราเราก็จะต้องถึงจุดนั้นแต่เรื่องตายในแน่นอนถึงเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ต้องตายแน่แต่ว่าถึงจะไปเป็นวิญญาณไปอย่างนั้นอันนั้นเราต้องฟังไปก่อน แต่ถึงยังไงก็ตามในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าตายแล้วไม่สูญในหลักธรรมคำสอนท่านพิสูจน์มา 2,500 กว่าปีมาแล้วนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสหรือพูดคํานี้ออกมาพระองค์ก็ไม่ใช่วไปดู ย, ดยแล้วก็พูดทีเดียวพระองค์ก็ได้ไปทดสอบทดลองออยอมเสียสละราชสมบัติ ถึงเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินไปศึกษาอยู่ในป่าเพราะเหตุไรเพราะเห็นเนี่ยความตายเนี่ยท่าท่าจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยกลัวตายนะเกลัวตายกลัวตายอย่างมากเลยเพราะเหตุไรท่านบอกว่าเนี่ยเกิดมาถ้าตายมันหาความสุขได้ที่ไหนใช่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่น่สนุกสนานเพลิดเพลเทหเลือกอะไรต่อเมีอะไร หาเงินหาทองหาข้าวหาของหาหงอาหารมารับทานมันก็มีความสุขแต่ว่าบทสุดท้ายที่จะตายนะสิเออเอาอะไรให้เอาเงินหมื่นล้านให้เอาไหมแสนล้านเอ่ออเอาไหมเอเพชรนินจินดากรงโตโตให้เอาไหมทองคําเหลืออาลามเอาไหมมันไม่เอาอะไรทั้งหมดในจุดนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะมันทุกข์มีแต่หายใจขมือบขมือบเออ กระเสือกกระสนหายใจปลานะีน่ยผนที่ถูกไปนะหายใจขาดไปทุกมากในชุดนั้นนะพระพระทุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้ว น, ะนี่แหละชีวิตของคนนะถึงจะมีความสุขสนุกสนานขนาดไหนก็เถอะถึงคราวเช่นนั้นนะลุ่มเมื่อตายไปนะั้นะมรณะภัยมาถึงตายทุกที่สดนะุดเพราะนั้นพระองค์มองท่านเป็นปลาท่านก็มองจะทํำยังไงจึงจะไม่ตายฮะหามีวิธีการไหมมีวิธีไหม ที่จะทำไ ม, ไม่ให้มาตายท่านก็มาพิจารณาดูท่านก็มองไม่ต้องเกิดถ้าเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายทั้งนั้นไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีไปที่ไหนได้ถึงจะอยูออ่พระทิศพระจันทร์ก็เถอะอยู่ในท้องฟ้ามาหาสมุทรก็เถอะอยู่ในใต้ท้องมหาสมุทรก็เถอะถึงจะอยู่ในเรือดำน้าก็เถอะตายทั้งนั้นไม่มีใครที่จะหลีกหลีหนีพ้นไปได้ นอกจากไม่เกิดถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็แปลว่าตายเพราะนั้นจะทำยังไงจึงจะไม่เกิดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าเมื่อสองพันห้ปีให้หลังท่านก็ได้พบหลักสูตรขึ้นมาก่อนที่ไม่เกิดเพราะอะไรตัวไหนมันพาเกิดท่านก็ค้นคว้าศึกษาว่ากิเลสกิเลสมันเป็นเชื้อพาให้เกิดขึ้นเลกความโลภ ความกโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันเป็นเชื้ออยู่ในใจของเราตกตัวกิเลสเป็นตัวกัดกร่อนใจของเราใจของเราทีแรกก็เป็นปัจจุบันมันก็ไม่มีอะไรแต่มันปิดบังเข้ามาด้วยกิเลสกิเลสเข้ามาแทรกเข้ามาอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นแต่ว่ากิเลสตัวนี้ไม่ทําคุณให้กับใจมีแต่กัดกร่อน จิตใจเหมือนกับสนิมสนิมกัดเหล็กอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นที่ พ, พระพุทธองค์ท่านตรัสจะทํำยังไงถึงจะชําระเอาสนิมออกให้เป็นเหล็กจะเป็นเลดร้อยปอร์ซนี่จะชะําระยังไงอันนี้ พ, พระพุทธองค์ก็ได้ไปค้นคว้าศึกษาท่านได้นั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วก็ดูจากนั้นก็ ดูความเป็นมาความเป็นไปของใจผลในสุดตัวไหนที่พาให้เวียนไหวตายเกิดท่านก็ว่ากิเลสจะชําระยังไงชําระกิเลสชลําระโดยตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาใช้มักแปดสมาธิิเป็นเบื้องต้นสมาสมาธิเป็นสุดท้ายนี่แหละหนทางจากนั้นชําระกิเลสชําระตัวไหน ถ้าจะเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมขึ้นมากับเหมือนกับมีมเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวก่อนที่มันจะเกิดมันมันมีอะไรมันมีเปลือกมันมีเปลือกข้าวข้าวเปลือกจากนั้นก็มีเชื้อในตัวของมันมีตาอ่อมีเชื้อที่จะทําให้เกิดได้พอไปแช่น้ําหน่อยนึ่งถูกความชื้นเข้ามาแล้วก็ไปปลูกมันก็ เกิดเป็นพืชเป็นพันขึ้นมาแต่พระ อ, องค์ก็บอกว่าใจของเราก็เหมือนกันกิเลสคือเชื้อจะทำให้เกิดจะชำละอย่างไรจะทำไม่ให้เชื้อตรงนั้นไม่ให้มันเกิดพระ อ, องค์ก็ใช้ตปรธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเผาแล้วก็เทาะเปือกเอก็เทาะกิเลสออกจากใจเพอใจไม่มีกิเลสไม่มีเชื้อเ่ใจตรงนั้นเป็นใจที่บริสุทธ เหมือนกับข้าวสารเออเหมือนข้าวสารแล้วก็มันนึ่งอีกต่างหากเออเอาไปปลูกจะปลูกไงมันก็ไม่เกิดเลยเอ่อแต่มีความสุขเพราะไม่มีเชื้อที่จะทําให้จิตใจดวงนั้นมีเรื่องอะไรปันปวนเออแปรผันเออใจตรงนั้นไม่เกิดอีกในเมื่อไม่เกิดแล้วนั่นแหะนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังปรามังสูนอย่างสู น, นอะไรสูนเชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าเป็นเมล็ดข้าวก็คือเปลือกคือเชื้อของมันคือตาของมัน่ะอกระเทาะ อ, ออกแล้วเป็นหนึ่งอีกต่างหากหนึ่งโดยไฟคือศีลสมาธิปัญญาคือตปธรรมศีลสมาธิปัญญาเผาหนึ่งพอหนึ่งสุกแล้วนเมล็ดข้าวไม่นั้นเไปปลูกที่ไหนเปที่ไหนก็ไม่เกิดทั้งนั้น นี่แหละท่านว่าถ้าเมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายถ้าหาว่ายังมีเกิดอยู่เมื่อไหรต้องมีตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเกิดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ถาวานนิพพานังนิพพานนิพพานนิพพา น, น, พานมีความสุขอย่างยิ่งนี่แหละแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่ว่าที่หลวงพ่อพูดว่าเนี่ยพวกเราไม่จะส่งวีซ่ามาถึงแล้วก็ส่งกลับไปต่างประเทศ ไม่มีใครที่จะหลีกห น, นีไปได้จะต้องกลับต่างประเทศแต่ก่อนที่จะกลับต่างประเทศน่เราได้เตรียมสเสบียงไว้ได้วยอย่างในจุดนี่ยสำคัญสเสบียงคืออะไรคือคุณงามความดีศีล ส, สมาธิปัญญาคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละคือสเสบียงถ้าว่าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วความชั่วนั่นแหละจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อย่างที่หลวงพ่อยกแล้วยกอีกว่าอากตังลุกกตังเสโ ย, ยนปัจฉาตะปฏิลุกกตังกับชั่วกรรมชั่วความชั่วสิ่งที่มันชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะเนี่ยพ่อยลายเพราะตัวเองทําสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อทําไม่ดีแล้วเนะ่ยนะกรรมชั่วให้ผล ไม่มีใครเดือดร้อนนะตัวเองนั่นแหละจะเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทํากรรมชั่วแล้วเเมื่อเขาส่งไปขึ้นเครื่องแล้วเราก็ไม่มีทุนนะไม่มีเงินนะไปตกต่างประเทศก็ไม่มีอันจะซื้อกิจอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราไม่ได้สร้างสั่งสมคุณงามความดีไว้เพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านจึงให้เตรียมพร้อมให้คิดล่วงหน้าดูตัวเองคิดถอยหลังคิดล่วงหน้าคิดในปัจจุบันปัจจุบันเราอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีในเมื่อทำดูในปัจจุบันไม่ดีอนาคตมันก็ต้องไม่ดีถ้าทำในปัจจุบันดีอนาคตก็ดีสรุปแล้วก็คือก่อนที่มันจะดีในอนาคตต้องทำปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้ดี สิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้วมันดีมันก็ดีมาแล้วจุดนั้นน่ะเพราะนั้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันมีคุณค่าฮมีคุณค่าสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่มันชั่วที่ผ่านมาน่ะคือบทเรียนอขพระเจ้าจะไม่ทําอีกในจุดนั้นถ้าขืนทําอีกนั้นทําซ้าซาก เดี๋ยวกรรมชั่วให้ผลอีกสักวันหนึ่งไม่ต้องสงสัยในเมื่อทํากรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแต่พูดทางนี้ทางนั้นไม่ได้พูดเอาความเอาความตายมาขู่กันนะอย่าไปคิดว่าหลวงพ่อพูดทีไร เ, เอาแต่ความตายมาขู่กันหลวงพ่อเอาความจริงมาพูดให้ฟังให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ต, ตายแน่ๆ น, นะแจริงไหม เรื่องไม่จริงใช่ไหมโอ้บางคนก็เอาความจริงมาพูดให้ฟังเกินไปมันก็รับไม่ได้เหมือนกันนะหลวงพอ่อรับไม่ได้ก็ต้องรับจะทํายังไงได้รับไม่ได้ต้องฝึกฝนให้รับเอเมื่อรับแล้วเราอย่าทําสิ่งที่มันไม่ดีทนำะ เ, เมื่อเราทําสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีนะะั่นแหละจะทําให้ตัวเองทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลัง เ, เหมือนกับเราเนะ ไปกินเหล้าเมายาเทมเมลเทเ ม, มาไม่หาเงินหายทองใช่ไหมเมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วเนี่ยตัวเองจะร่ํารวยมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่สะแสวงหาทรัพย์เมื่อ ย, ยังหนุ่มยังหนุ่มยังน้อยไม่เสแสวงหาความรู้ไม่ตั้งตัวตั้งตนให้ดีมีแต่เที่ยวมิตเตรมีแต่สุขสนุกสนานไม่ได้คิดไอด้อ่านไม่ได้วางแผนอนาคตนะภายภาคหน้าข่าจะเป็นยังไงไม่ได้คิดนยมีแต่สนุกเป็นวันวั น, วนไป แล้วคนคนั้นหมดอนาคตนะออดีตออดีตไม่ไม่มีอดีตไม่อขนขวายไม่ต้องทายอนาคตปัจจุบันไม่ขนขวายไม่ต้องทำทำลายอนาคต เ, าเราต้องมีอดีตออดีตต้องเป็นบทเรียนแล้วก็ปัจจุบัน ต, ต้องมองดูแล้วก็นั่นะคนมันจึงจะมี อนาคตของเราจะสดใสถ้าเราได้วางแผนไว้นะเพราะทังขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะที่พูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเพื่อการเรียนรู้ประการศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญคำนี้ให้ศึกษาอพอพระพุทธเจ้าท่านได้ไปพิสูจน์ดูแล้วครับพวกเราจะพิสูจน์ หลวงพ่อก็พูดบอกพวกเราอยากจะพิสูจน์ใครนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาจิตใจรวมสงบลงไปเท่านั้น่ะจะรู้ได้โดยตนเองไม่ต้องถามใครอีกเหมือนกันอากายกับใจใจกับกายเนี่ยเป็นคนละอันกันหลวงพ่อก็เปรียบเทียบให้ฟังเพราะทุกวันนี้คนใช้รถมากนะหลวงพ่อว่าร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานนะจิตใจเหมือนกับคนขับรถนะออนั่นแหละจะเห็นได้ชัดเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่ง เ, เราจะเห็นได้ชัด ไม่ต้องถามใครใเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ต้องพูดเพรา ะ, ะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านทั้งหลายที่ท่านได้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยท่านไปภาวนาในป่าดงพงไพ่ท่านภาวนาเนี่ยท่านเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญนะเกิดอีกแน่ๆหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งแบบผิวเผิน แต่พอเข้าไปสัมผัสจริงๆจิตใจรวมสงบลงไปแล้วโอ้โหพระพุทธเจ้าทําไมถึงฉลาดถึงค้นควาได้ศึกษาได้ถึงขนาดนี้จริงๆวะอย่ายอมรับในด้านจิตใจของแต่แต่ละท่านนะอันนี้แหละคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็นยอมรับมาอย่างนั้น่ะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ฝึกได้ฟังศึกษาศึกษาฝังเอาไว้ทดลองทดลองดูไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหน มีแต่ความสุขความเจริญนะนะั่นแหะพอเราศึกษาธรรมะและปฏิบัติต่อธรรมะไม่มีใครเดือดร้อนมีแต่ตัวของเรานะนะ่นัะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร